นะโมตัสสะพระวัโตระหัตโตสมาสามพุทธสสะนะโมตัสสะพระวันโตระโตสมาสามพุทธสสะนะโมตัสสะพระวันโตระหัโตสมาสามพุทธสสะ สัพปรสังรรมรสซชินาติติขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไตรจักกิเรสตัตโรชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแต่พระเถรานุเตระมีหลวงพ่อวิจัยที่เป็นประธาน ยงานอยู่ณสถานที่นี้และขอเจริญสุขกยญาณโยมที่สระเวลาหน้าที่และ ก, การงานมาบวชเนครรมะปฏิบัติธรรมงั้นวันนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ได้ให้อตมาภาพมาปารบธรรมคำสอนของปุจจาในหัวข้อธรรมว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยใจตนเองนี่คำว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เราชาวพุทธจะได้เข้าใจ ว่าควเราที่มาสมาทานเบญศีลหรือสมาทานอัตศีนหรือยังกพระที่ท่านออกบวช ด, ด้วยยติยตุตกรรมนี่ก็หมายความว่าเอากาย เอาวาจาเอาใจมาเป็นธาตุพระพุทธเจา้ามาเป็นธาตุของพระธรรมเจา้ามาเป็นธาตุของพระอริยสงฆ์เจ้าเราทำวัดเราสังเกติตอนที่เราก้มกราบว่า กาเยนะวาจาวจาเจตสาวาพุทเทกุกรรมมังกตังมยายังพุทโภติคันนตุติยันตังการันเกรสังวริโตงวพุทเถบดธรรมมังก็เหมือนกันบดสังคังก็เหมือนกันที่มีความหมายว่าเราเป็นทาวพระพุทธเจา้า เราเป็นทาตพระธรรมเจ้าเราเป็นทาตของพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราเป็นทาตพระพุทธเจ้าอย่างไรที่เรางดเว้นจากการทำบาสนั่นเองงดเว้นจากการทาบาตรทางกายงดเว้นจากการทำบาตรทางวาจางดเว้นจากการทำบาต ท, ท, ทางใจ สิ่งที่เรางดเว้นนั่นแหละเป็นคําสอนของพุทธเจ้าและก็มีปัญญาสิ่งที่เรามีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณปรตนาไตรเนี่ยเาเรียกว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธา แค่เราเมตาความเชื่อความเลื่อมใสเนี่ยสิ่งระนี้แหละมันพาให้เราเข้าวัดได้เหมือนโยมสระมาบวชสามวัน7จวันนี่เราก็สระแล้วนี้ตัวศรัทธาอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนเราต้องต้องสร้างตัวศรัทธาให้เกิดขึ้นจาก สัทธาสัมปทาให้เกิดขึ้นนี่ทำให้เราสามารถที่ให้มีตัทธาเกิดให้ใจมั่นคงในทางบุทธศาตนาอีกสิ่งที่เราจะให้ใจเข้าถึงธรรมเราต้องอบรมใจตนเองการอบรมใจตนเองนี่ เราต้องอาศัยตัวศรัทธาเหมือนกันเพราะใจของเรานี่ถือว่าโลละปาหิโนโดอาริโยโลเมตาโสจะนั้นหลักคำสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้มีสัจจะคือความจริงใจจริงใจยังไงเช่นเราจะนั่งสมาธิ เราต้องตั้งใจว่าเราจะนั่งขี่โมอัอ น, นี่ถ้าเราไม่สะกะความจริงใจอย่างนี้บางครั้งเราทามไปมันปวดเมื่อยบ้างหรือความง่วงลบกวนบ้างหรือจิตใจฟงซาดกระแสะอารมณ์นี่มารบกวนแล้ว ทำให้ตัวศรัทธามันตกไปนี่เราต้องนึกถึงว่าสัจจะถ้าเรานึกถึงสัจจะแล้วเราทวนกระแสอารมณ์ใจตนเองนี่ทำให้ใจตนเองนี่มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอีกฉะนั้นองค์ภาวนาเนี่ยเป็นอุบายชาระจิตใจตนเองเมื่อเราอาบน้ำ อาบน้ำชำระร่างกายมันเหนียวตัวหรืออากาศมันร้อนเวลาอาบน้ำขึ้นไปเหนียวตัวก็หายเนี่ยความร้อนก็หายนิดส่วนกายแต่ส่วนใจละ่ะส่วนใจที่เราโงดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายเนี่ยเราจะทำไงให้อารมณ์นี้มัน ดับไปเราก็ต้องฝึกหัดภาวนาดังนั้นองค์ภาวนาเป็นอุบายส ก, กัดกั้นอารมณ์เป็นอุบายชําระใจเราสังเกตตัวเอสังเกตใจเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยมาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เรายังไม่เคยมีศรัทธา พอเรามาบวชประพฤติปฏิบัติสามวันเจ็วันหรือเป็นสิบวันพอจิตใจเราเริ่มสงบจิตใจเราเริ่มมีสมาธิขึ้นมาหรือจิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นมานี่เราทำให้อารมณ์เมื่อก่อนเนี่ยพอใครดา่าใครว่านี่ของขึ้นทันที นี่อารมณ์นี่รุนแรงแต่เวลาเราประพฤติปฏิบัติไปแม่บ้านจะบ่นว่าก็ดีพ่อบ้านจะบ่นว่าก็ดีทำให้ความสงบทางใจมันเกิดขึ้นมองด้วยความเมตตาเออน่าสงสารนะเขาไม่ทันอารมณ์ทำให้ใจตนเองเป็นท่าทแห่งความโกรธ เผาหัวใจเขาเองนี้คนเราถ้าใจมีธรรมะมองได้เมตตาธรรมพอไปเห็นแม่บ้านบน่นหรือเห็นแม่บ้านแสดงกิริยามารยาทความโกรธออกเนี่ยใจมันเกิดเมตตานี้อารมณ์โทสะก็จะคลายลงนี้อานิสงส์อานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติ ที่จะเอาใจเข้าถึงถามบุทธศาตนางั้นถามพุทตสัตตานี้เป็นคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ครบาอาจารย์ก็สืบทอดกันมาต้องสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยเทรวาดเนี่ยเทระนี่ให้โอวาดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสืบกันมาสืบกันมาเนี่ยนี่ต้องสองพันกว่าปี นี้เราเป็นชาวพุทธแแปลยชาวพุทธแปลว่าอะไรชาวบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายบริสุทธิ์ทั้งใจนี้ส่วนกายอะไรเป็นโทษของกายนะส่วนใจมีอะไรเป็นโทษของส่วนใจนี้ก็มีสิลนอีกแล้ว สินสึกขาบทที่เราสมาทานจะเป็นสินห้าสิลแปดแต่สินสังวรสินสังวร น, น, น, นี่คือระวังใจระวังใจไม่ให้คุณเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความคุณเคืองให้ระวังใจตนเองมีอินทรีสังวร อ, อินทรีสังวรคือ ให้ระวังใจตนเองใจตนเองออกถ้อไปทางไหนทางตาหูจมูกรินกายใจนี่เป็นบอ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์ก็สํารวมไงการสํารวมนี่ให้อารมณ์ ม, มันน้อยลงตาเห็นโลกเราสังเกตเด็ตาเห็นโลก จะโหมดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจรับรู้อารมณ์เนี่ยเป็นบอกเกิดของอารมณ์แต่เมื่อเราสำรวมตาตาที่เห็นโลบก็เห็นน้อยลงหูฟังเสียงก็ฟังน้อยลงจะโหมดมกลิ่นกลิ่นก็น้อยลงเนี่ยลิ้นรับรสเนี่ยอารมณ์นี่ก็น้อยลง กายสัมผัสอารมณ์นี้ก็น้อยลงไปใจที่มากระทบทำอารมณ์ที่กระทบใจและใจในคิดท้งวันนี้สภาวะสิ่งหเหลนี้เมื่อเรามีอินทรีย์สงวอนอารมณ์ก็น้อยลงไปเมื่ออารมณ์น้อยเป็นอะไรทำให้ความสงบทางใจได้มากขึ้น นี่เราสังเกต ด, ดูใจเวลาเรามาเริ่มภาวนาเนี่ยอารมณ์เก่าก็ไหลเ ข, ข, ข้ามาไหลเข้ามาก็เรียกว่าอาติตาลรามันดังว่าใจเราไม่อยู่กับพุทธโธแล้วใจเราไม่อยู่กับองค์บริกรรมแล้วใจเราใจนึกถึงพุทธโธก็จริงแต่ไม่อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับความคิดนึกพอเลิก จากคิดของเก่าและมาคิดของใหม่คิดของใหม่และไปคิดของเก่านิจใจจะไปตกโยอาตีตารมอนาคตารมแต่พู้เจ้าเราสอนให้ตกอยู่ใน่ามกลางคือปัจจุบันคาว่าปัจจุบันคือหมายความว่าให้จิตตนเองเนี่ย ดูกายกายทำอะไรตอนนี้กายเรานั่งก็อาจิตดูกายนั่งตอนนี้กายเราเดินก็อาจิตดูกายเดินตอนนี้จิตเรายืนอยู่เอาจิตดูกายเรายืนอยู่กายเรานอนอยู่ก็ จ, จิตดูกายนอนอยู่ ที่เราให้ตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันคือให้จิตเกิดปัญญาภาวนามยะปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ารอบรู้อยู่ในกองแห่ ง, งสังขารสังขารส่วนกายอย่างเด่นสังขาร ส, ส่วนจิตอีกอย่างเด่นเราเอาจิตมาดูกาย พอดูกายแ้วเนี่ยฉะนั้นอุบายของครูบาอาจารย์เนี่ยอยังกระพระบวชเนี่ยให้อารมณ์กรรมาฐานเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกศานคือเอาจิตมาตั้งปทิ่ผมถ้าจิตตั้งอยู่ที่ผมจิตก็เห็นผม จิตตนเองเนี่เห็นผมตนเองและจิตก็จะเกิดปัญญาเห็นผมเป็นอะไรเห็นผมเราไม่ชำระหรือเราไม่พอกด้วยเครื่องสบูแล้วเนี่ยวันสองวันผมเป็นอะไรผมมีกลิ่นสางขึ้นมาเนี่ยนิบังปูตติกาอย่าง ผมมีกลิ่นขึ้นมาแล้วล่วงลงมาตกลงมาแม่นตกในน้าก็ไม่กินตกในข้าวไม่กินนี่เป็นของปฏิกูิแล้วอันนี้คนเราถ้าไม่พิจารณาดะ่ะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็อยู่ในความหลงเด็นึกว่าผมสวยงามหาแป้งจันทน้ำมันหอมมาใส่ผม นี่ทําให้คนเราเนี่ยไม่เกิดปัญญาผู้เจ้าให้เห็นของจริงครัให้จิตตกอยู่ในถ้มกลางคือปัจจุบันพอจิตมาตั้งวฏิที่ผมจิตก็ต้องเห็นผมแล้วโล่งลงมาตกลงมาตกในน้ําไม่กินตกในข้าไม่กินพอจิตตนเองนิ่งจิตเกิดปัญญาแล้วปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขาร คนก็เหมือนกันคนที่ขึ้นทั่วตระพังกายเนี่ยทำไมเหงื่อมันค้นเกิดจากอะไรถ้าเราพิจารณาเราบริโภคข้าวสุกขนมสดธาตุดินมันออกตำรูคนแล้วเราไม่อาบน้ำก็เหนียวตัวถ้าเราอาบน้ำ เหงื่อมันค้นที่อุดตำลูขนมันก็มันก็ออกมาก็แกล่งตัวขึ้นมานี่ถ้าเราเอาจิตไปพิจารณาขนจิตเราก็เห็นความจริงอีกแล้วโอ้เรายังไม่ยังไม่ทันหมดลมเลยเราไม่อาบน้ำวันสองวันปฏิกููอีกแล้ว เงือมันค้นก็ออกมาเล็บก็เหมือนกันเล็บนี่เป็นอภิสมาจารย์เป็นธรรมดบธรรมเนียมของพระกหดวดกนคิ้วแล้วก็ตัดเล็บเล็บเอาไว้เป็นไงเล็บยาวคีเล็บก็มากบางครั้งเป็นขบเล็บ เล็บเป็นหนองแล้วเอาจิตตนเองมาตั้งวัตีิเล็บก็ดูเล็บนี้จิตก็เห็นเล็บเป็นของปฏิโกณปรากฏดอีกแล้วเราจิตมาเพ่งวัตถิฝันฝันเราทำไมต้องแปลงฝันํำระฝันถ้าไม่ํำระฝันกลิ่นปฏิโกณปรากฏแล้ว หนังก็เหมือนกันหนังบางคนก็มีโรคผิวหนังสารพัดโรคที่เกิดนี่เอาจิตมาตั้งปัญจกรรมฐานเนี่ยเป็นสภาวะให้จิตเรานิ่งจิตเราได้เกิดปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารเห็นตามความเป็นจริงนี่ทำให้คนเรายันไม่หลงกายมาก แคนั้นอสุภสัญญาขันเนี่ยเป็นสภาวะทิศปรากฏอยู่ทุกวันเลยเราใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราเอาจิตมาดูรูปตนเองทำให้จิตเห็นความจริงแล้วเนี่ยก็เบื่อโลกพอเบื่อโลกแล้วก็เห็นทุกข์ของโลกแล้วนั้นสภาวะของโลกที่เรา แก้ไขเ ย, ยวยาอยู่ทุกวันนี่เป็นอารมณ์กรรมฐานโดยตรงเลยยังกับพระพิจารณาเป็นอภินหาปรปัจเวกทุกวันพอหยิบชีวรพิจารณาแล้วแต่เป็นภาษาบาลีแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี้ยเราเข้าใจอิมังปูติกายังกัตวะถ้าแปลว่า รันมาถูกข้าวกับกายก็กลายเป็นของน่าเกลียดแต่คนเรานี่ไปโทษผ้าเปื้อนแต่ที่ไหนได้ตัวเราเปื้อนนี่เป็นอารมณ์กรรมฐานเลยถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยทำให้คนเราความยึดติดยังได้น้อยลงอยังกับพระเนี่ยห่มผ้าการสวพัดแปลว่าผ้ายอมปาด เง้าไม้เปลือกไม้ไม่ติดสีอันนี้ยังจาบ้านกระหัดคลองเรือนเนี่ยต้องซักให้สะอาดรีดให้ดีให้สวยงามแต่หลักธรรมะคำสอนพู้เจ้าก็สิ่งที่เราใช้ทุกวันนั่นแหละเราใช้พิจารณาจิตเราได้เกิดปัญญาครั เนี่ยสืบทอดพระบุทธศาตนาเราอยู่ด้วยปัญญานน่งห่มง่ายอยู่ง่ายบริโภคอาหารก็เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำเป็นประจำทุกวันลดลิ้นที่สัมผัสลดนี่ก็สำคัญถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เกิดปัญญาแล้วเนี่ย เราก็เป็นธาตแห่งความอยากถ้าเราศึกษาแล้วเนี่เราจะได้เป็นทาตพระพุทธเจา้าเป็นทาตพระธรรมเจา้าเป็นทาตของพระอาดิยส่งกัจจาวยังเราสังเกตทําไมพระชันในบาตเปรี้ยวหวานหวานเค็มรวมเป็นรสเดียวรวมเป็นรสเดียวก็จริง แต่เอาข้าวคำปากเข้าไปท่านก็พิจารณาอีกแล้วจะเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มท่านก็ทำส ต, ติองค์ไว้และอาจิตไปตั้งที่ขาตะไคร้เคี้ยวให้ละเอียดก็กลือเพื่อไม่ให้จิตตกอยู่ในความหลงให้จิตเกิดปัญญาเวลาข้าวคำปาก เข้าไปประมาณสักหาคำเวทนาเก่าวคือความหิวก็ดับแล้วนี้ถ้าเราไม่ศึกษาดนะ้งถ้าเราไม่ศึกษาเราเกิดมาชาติหนึ่งมีคําสอนแต่เราไม่ทำตามคาสอนเราทําไปตามความอยากเปรี้ยวมากกระบนเค็มมากกระบนจืดมากกระบน สิ่งที่เราบ่นเนี่ยเขาเรียกว่าติดรถแต่พระเจ้าเราสอนไม่ให้ติดให้บริโภคเพื่อย่างชีวิตยอยู่ไปวันวันหนึ่งเพื่ออยู่ด้วยสติปัญญาถ้าเราใช้สติพิจารณาอย่างนี้ทำให้เป็นมนุษย์มีปัญญาเป็นทาวพระพุทธเจ้ามีความรู้ขึ้นมา เราสังเกต ด, ดูจิตเราแค่มองเห็นอาหารแต่นั่นเองพอมองเห็นอาหารจิตมันอยากกินแหนสั่งให้ตักมงคลตักด้วยอำนาจแห่งโลภะตักมากเกินไปทานก็ไม่หมดอาหารก็เหลือและแต่พู้เจ้าเรานี้ให้พิจารณาโพชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักการบริโภค พอรู้สึกว่าอิ่มก็อิ่มพอทานน้ำเข้าไปอิ่มพอดีอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจคำสอนพูเจ้าที่เข้าใจคือหมายความว่าถ้าเราทำตามคำสอนพูเจ้าเนี่ยวันนั้นจะภาวนาดีจิตใจมันโปร่งใสถ้าวันไหนอร่อยตักเกินไป ทานเกินไปจานสองจานเท่านั้นเองนี่ถูกนิวนรบกวนแล้วนั่งก็ง่วงเดินก็ง่วงยืนก็ง่วงอารมณ์ง่วงกั้นขวางรบกวนใจตลอดเวลานี่ถ้าเรามาพิจารณาโอ้พุทธเจ้านี่สอนว่ายแยบคายมากเลยอาหารก็ให้พอดีแต่ให้น้อยไป ร่างกายก็เปลียดและ ว, วันนั้นภาวนาไม่ค่อยได้ร่างกายมันพลอยพลอยเปรียทําให้ร่างกายไม่มีแรงนั้นสภาวะโลกกายเนี่ยการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องปฏิบัติกายด้วยกายก็ให้อยู่ได้นี้ส่วนกายและส่วนใจละ ส่วนใจนี่โดยมากคนเราเนี่ยที่ไม่เกิดปัญญาเป็นธาตุของอารมณ์ติพาโสต ว, ว่าอารัมมณปัตโยมีอารมณ์เป็นปั จ, จัยเราสังเกตเด็นึกจะพูดก็พูดนึกจะด่าก็ด่านึกจะว่าก็ว่าเราสังเกตใจคงเราเนี่ยทำไปตามอารมณ์ทุกวันเลย สิ่งที่เราทำไปตามอารมณ์ของใจตนเองนี่แหละคาเรียกว่าเป็นโมหะจิตจิตไม่เกิดปรรัญญาจิตเป็นธาตุของตัวสมุทยัยที่หลวงพ่อท่านอธิบายมุสักคร่ว่าเป็นธาตุแห่งสมุทยคือปล่อยใจนะปล่อยใจไปตามอารมณ์ ก็เรียกว่าอิทธารมอนอิฐาลมอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจนี่เราก็ปล่อยใจอย่างเงี้ยวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่พู้เจ้าเราเนี่ยสอนให้รอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารนี่ส่วนกายสังขารส่วนหนึ่งส่วนจิตสังขารอีกส่วนหนึ่งทำไมจิตของเราคิดมาก นี่เราดูจิตตนเองเมื่อเราดูจิตตนเองอ๋อจิตตนเองคิดมากเพราะอายตนะภายนอกเป็นบ่อเกิดของอารมณ์ที่พระเจ้าให้สำรวมอินทรีย์อารมณ์ได้น้อยลงไปความพุ่งสรรั้นหรือความคิดมากได้น้อยลงไปนี้จิตเราก็เกิดปัญญา เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็โอปัญญโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวเอาจิตตั้งวัตถิตัวเองกายตนเองนี้เป็นฐานของจิตอเอาจิตมาตั้งวัตถิฐานไว้เมื่อจิตตนเองมาตั้งวัตถิฐานแดงเนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาก็เห็น อารมณ์ใจตนเองโอวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตเราไม่เคยพักเลยกระแสจิตเราคิดตลอดงั้นตัวเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตเราเนี่ยเป็นตัวจิตตสังขารงั้นหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเตสังโปะสโมสุโ ข, ข ความเข้าไประ ง, งับสังขารเป็นศกหนอระ ง, งับสังขารในที่นี้คือหมายความว่าระงับจิตสังขารสังขารคือโถปโปร่งแต่งงั้นจิตเราที่คิดทุกวันเนี่ยนี่โถปโปร่งแต่งเนี่ยโถปโปร่งแต่งฉะนั้นครูบาอาจารย์หรืออุปชาทุกองค์เนี่ยท่านจึงให้บรรดาลูกศิษย์ เอาจิตมาตั้งวัติผมตั้งวัติผมเอาจิตเพ่งวัติผมเพ่งไว้ที่ขนเพ่งไวท้ไวที่เล็บที่ฝันและก็ที่หนังเพื่อไม่ให้จิตเราไหลออกไปอันนี้ถ้าคนเราไม่มีปัญญาดะจิตเราก็คิดตลอดเวลาพอคิดมากไปไง เราก็เครียดอารมณ์งั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะสังเกต ด, ดูว่าถ้าเรามาศึกษาธรรมะเราเข้าใจคาสอนความเป็นพ่อแม่เนี่ยใจอยู่กับลกูกเราสังเกตพ่อแม่เนี่ยมีลูกห้าคนก็คิดถึงลูกห้าคนมีหลานกี่คนกระตึกใจคิดอยู่ตรงเนี้ยบนอยู่เนี้ย อยากให้ลูกคนโตอยากให้ลูกคนกลางอยากให้ลูกคนเล็กอยากให้หลานคนโน้นมีกินมีใช้ยล่ารวยคิดอย่างเงี้ยแต่อายุเจ8 0สิบแปดสิบแล้วเนี่ยเราสงังเกตดูพ่อแม่เราเนี่ยถ้าพ่อแม่เราไม่สนใจเรื่องภาวนาเนี่ยสัญญาขันดําสัญญาขันความจำได้ในรู้เนี่ย เราสังเกตพ่อแม่บางคนเนี่ยหลงลืมง่ายทานข้าวแล้วก็ยังไม่ได้ทานขี้แล้วก็ยังหาไม่ได้ขี่บนนี่เราจะเห็นหลักความจริงหลักความจริงที่เราเห็นนั่นแหละเราก็น้อมมาใส่ตัวสิถ้าเราแก่เราเป็นอย่างนี้จะทำไงนี่เราสอนตนเอง เมื่อเราสอนตนเองเราจะได้เห็นโอครูบาอาจารย์หลวงปู่หลายหลายองค์ท่านเจ็บ่ายได้ป่วยท่านนอนภาวนาะไม่ทุรนตุรายไม่กระสับกระส่ายเพราะท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจนี่เราเป็นชาวบ้านเป็นรหัสคองเรือนละเราจะทำไง เราก็ต้องสอนตนเองว่า เ, ออเราอยู่กับโรกหลานอยู่ไม่นานแล้วพ่อแม่เราก็จากไปหมดแล้วตอนนี้เราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเดี๋ยวเราก็ต้องไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรติดไปเห็นพ่อแม่เกยก็ไปมือเปล่าสิ่งที่เราโดน ดิ้นรนขขนขวายทุกวันนี่เธอเราทำไปเพื่อใครนี่หลักเอาหลักมาสอนตนเองถ้าเราสอนตนเองเนี้ยทำให้เรากระตือหรือโลนขึ้นมาเนี่ยสระเวลามาประพฤติปริบันสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยตนเองถ้าเราสอนตนเองแล้วตัวศรัทธามันจะแหลงกล้าขึ้นมาก น, นี่ถ้าเราไม่เคยได้สอนตนเองแล้วเนี่ยเราจะอยู่ด้วยความหลงความประมาทเพราะชีวิตของเรามันไม่แน่นอนเราต้องหาเอาธรรมเป็นที่พึ่งในใจไว้ก่อนถ้าเอาหลักธรรมคำสอนพรเจ้าเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วจะปลื้มใจฉะนั้นที่หลวงพ่อวิจัย ให้โยบญาติโยมตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะถ้าใจสงบถ้าใจสงบเนี่ยเขาเรียกว่าภาจนะทองรองรับไปสู่ดวงจิตเราจิตก็ปลื้มใจจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีสมาธิอารมณ์ปีติไหลเข้ามาจิตของเราทุกคนเลย จิตของเราทุกคนเนี่ยเพราะไม่สกบอารมณ์ธรรมะเลยไม่ไหลเข้ามาแล้วไม่ทราบสิ่งตอนี้ของเราถ้ากระแสจิตเป็นเอกก็ตาอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์ไหลเข้ามาแล้วอารมณ์วิตกอารมณ์วิจารปิติสุขเอกัตาไหลเข้ามาสู่ในดวงจิตโอดวงจิตนี้ปลื้มใจดีใจแล้วก็สุขใจ เราเกิดมาชาติหนึ่งมีคำสอนของพระเจ้าไหลไปสู่ในดวงจิตและดวงจิตตนเองเนี่ยอบอุ่นใจมากเลยแล้วก็จะภูมิใจเนี่ยมีสังฆรัตนะมีพระพุทธมีพระสงฆ์เป็นตระที่พึงไม่ถือศีลพระประมาทแล้ว ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นตระที่พึ่งเนี่ยก็เรียกว่าใจเข้าถึงธรรมแล้วก็ใจก็มั่นคงมากเลยตอนนี้คนเราถ้าใจไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยเจ้าพ่อก็เยอะเจ้าแม่ก็มากผีเจ้าเข้าส่งก็เยอะนี่ลักษณะใจที่ยังไม่เข้าถึง ฉะนั้นกาเราใจที่ยังไม่เข้าถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลฮีรับปะิะโนใจยังไม่แน่นอนใจนั้นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นการที่เราได้มาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติ พอปฏิบัติปุ๊บนี่เราเข้าใจเลยทำไมหลวงพ่อวิชัยจึงให้เราสงบพอสงบเนี่เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งเป็นปัญญาหลักคำสอนของพุทธเจ้าเพราะปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมเราอ่านตำรับตำราดเดี๋ยวก็ลืมแต่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิ แล้วก็เกิดปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารเนี่ยปัญญาตัวนี้มันไม่ดับข้าเรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาเพราะโลกุตระปัญญาเนี่ยที่เราจะให้สืบทอดบุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเจริญสติการเจริญสติเราสังเกต ด, ดูทำไมทำไมใจเราไม่ทันกาย เราไม่ทันอารมณ์กายก็มีเนี่ยกายที่เราใช้อยู่เนี่ยมีอรารมณ์ใจก็มีแต่จิตเราไม่ทันอารมณ์เราสังเกตเวลาเรานึกจะลุกลุกแล้วเราจะลุกเราจะ c, เจะดินเราจะนั่ง เราจะถ่ายมูดถ่ายโคดเราจะบริโภคอาหารเนี้ยสิ่งเหล่านี้เราต้องทำสติไว้ถ้าสติเราทันกำหนดทางกายทันแล้วเนี่ยอารมณ์สภาวะจิตนี่ต้องให้สติเราทันอารมณ์ใจเขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานติกำหนดกาย และกําหนดเวทนา <Yeah. S 1> กายก็ต้องกําหนดให้ทันกายโคกายเหยีกลกายก้มหลับตาลืมตาถ้าสติทัน <Yeah. S 1> ถ้าสติทันก็สติเราดีขึ้นเนี่ย <Yeah. S 1> นี้สติให้ทันส่วนกายสติให้ทันเวทนา <Yeah. S 1> เวทนา <Yeah. S 1> เวลาปวดปุ๊บเ <Yeah. S 1> ห็นเรานั่ง ตอนนี้ก็นั่งมาต้องสองสามชั่วโมงเนี่ยเวลาขาปวดปุ๊บจิตเป็นเจ้าของกายเนี่ยจิตก็ไปอยู่กับความปวดแล้วนี่เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าขนาดปวดขานี่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนี่ถามตนเองเมื่อเราถามตนเองแล้วเนี่ยโอ้เปลี่ยนไปก่อนเพราะมันปวด นี่พอเวลาเราเปลี่ยนไปนี่เราเห็นเวทนาขันได้เวทนาขันเวลาเราเปลี่ยนไปความทุกข์ก็ดับเนี่ยความสุขก็เกิดเดี๋ยวความทุกข์เกิดอีกแล้วเดี๋ยวไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดอีกแล้วเนี่ยเราต้องให้รู้เวทนาส่วนเวทนาที่มันปรากฏส่วนสัญญาดา ส่วนสัญญาขันความจําได้ไม่รู้เนี่ยเราสังเกตเราเนี่ยขี่หลงที่ลืมง่ายี้ถ้าสติเราทันทางกายทางเวทนาเนี่ยสัญญาขันตัวสติก็เริ่มทันขึ้นมาความจําได้ไม่รู้เนี่ยทําให้ตัวสติเรารู้ขึ้นมาเนี่ยสติก็ดีขึ้นดีขึ้น สังขารตัวปรุงแต่งเมื่อเราถูกกระแสะความปรุงแต่งแล้วเนี่ยเราก็ให้ทันอารมณ์ถ้าเราฝึกหัดใจตนเองเนี่ยให้ทันใจว่าอารมณ์ที่กระทบใจสิ่งที่เราจะพูดไปกระทบกระทบคนอื่นหรือ เบียดเบียนตนเองเราไม่ทำเป็นวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตนเองถ้าใจเราไม่พอใจเราไม่พูดถ้า ใ, ใจเราดีก่อนค่ยพูดนี่ระงับตัวปรุงแต่งตัววิญญาณเวียนญาณขันตัวนี้วิญญาณคือความรู้สึก รู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งเมื่อเราได้ฝึกหัดเจริญสติทำให้สติของตนเองเท่าทันเนี่ยเวลาแก่ตัวความหลงลืมน้อยลงไปนี่มีอนิสงส์แล้วมีอนิสงส์สติแล้วก็ดีเป็นมหาสติ แปลว่าเป็นใหญ่ในกายและเป็นใหญ่ในอารมณ์อันนี้ถ้าเราได้ฝึกหัดแ้วเนี่ยเราก็มีอานิสองส์อยู่แล้วอานิสงส์เราได้ไม่หลงดืมหรือเราแก่ตัวไปไม่หลงลืมเราหมดลมไปเราไม่หลงดืมนี่อานิสงส์ที่เราได้ฝึกหัด ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราต้องสร้างศรัทธาให้แก่ตนเองพราะศรัทธาสัมปทาให้เกิดขึ้นในใจตนเองแล้วก็ตนเองว่างช่วงไหนก็ทําเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเรานั่งเล่นก็ตามเดินเล่นก็ตามเราได้ฝึกหัดเอาไว้เป็นกําไรชีวิต ของตนเองว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งมาเจอคำสอนของพุทธเจ้าแรมเนี่ยเราไม่เอาเราจะเกิดมาทำไมไอ้ที่รักมันก็หยอกไอ้ที่หลอกมันก็ดวงทำให้เป็นห่วงเป็นใหญ่เนี่ยคำสอนของพูพุทธเจ้าเนี่ยมีขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองขอให้เรามีศรัทธาเท่านั้นเองอุปมา อุปมาเหมือนพ่อแม่หงข้าวเนี่ยหงข้าวต้มแกงเกลี่ยมไปหมดแล้วใส่สำรักเอาไว้เรียกเรียกลูกใครกินนี่ถ้าลูกคนไหนมากินข้าวก็อิ่มนี่ฉันใดก็ตามพุทธเจ้ากลัดคำสอนไว้แล้วถ้าคนไหนมาทานก็อิ่ม งั้นคําสอนของพระเจ้านี่ยังปรากฏ อ, อยู่ในกายในใจของชาวพุทธคนเราทุกคนถ้าเรามาสงบจิตแล้วอาจิต ด, ดูของจริงแล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องเห็นของจริงของจริงยังไงกายก็มีจริงอารมณ์ใจก็มีจริงแต่คนดูไม่มี ทำไมคนดูไม่มีดังตัวจิตที่จะดูไม่มีจิตเราไปอยู่ที่ไหนกระแสจิตเราไม่อยู่ในกายเป็นกามาวาจรคิดนึกทั้งวันนี้ความรู้จึงไม่มีความที่จะรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารจึงไม่มีฉะนั้นหลักคาสอนพระเจ้าจึงให้อปัยญก น้อมจิตเข้ามาใส่ตัวปัจจิตังเวทิถภโพวินโยหีติวิญโูชนรู้เฉพาะตนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยอารมณ์มันลดลงอานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ที่เราประพฤติปฏิบัตินะมันจะค่อยลดลงไปลดลงไปโลภะก็ลดลงไปอารมณ์โกรธก็ลดลงไป อารมณ์หลงก็ลดลงไปนี่เป็นผลเป็นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้ากรัดไว้ว่ากราบใดพุทธบริษัทยังเจริญพระอริยมรรคโยอริยผลก็ย่อมปรากฏอริยมรรคก็หมายความที่เราเจริญภาวนานอลนะ ที่เราเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยผลก็เกิดมีขึ้นแก่นตนเองนี่ถ้าเราไม่ทาตามละ่ะอ น, นิสงส์อา น, นิสงส์ก็ไม่มีเมื่อไม่มีอา น, นิสงส์เป็นอะไรเดือดร้อนใจนั้นของเราถ้าไม่มีศีลก็เดือดร้อนถ้าไม่มีธรรมก็เดือดร้อน เพราะเพลิงกิเลสเพลิงทุกเนี่ยเผาจิตใจของมนุษย์เราที่ไม่มีปัญญานิจใจก็เป็นธาตุไก่อะใจเราก็เป็นธาตุเพลิงกิเลสเพลิงทุกเดะเผาใจตนเองนี้ใจตนเองก็เล่าร้อนก็วนก็วายกระสับก็สายเราสังเกตช่วงเรานอนเนี่ยถ้าเรานอนภาวนา น, นี้ยหลับง่าย ให้จิตอยู่กับโภนาเนี่ยวันนี้ถ้าจิตอยู่กับโภนาเนี่ยเวลาตื่นเวลาตื่นเนี่ยจิตมันโปร่งใสเรากำหนดว่าจะนอนตื่นเวลาเท่าไหร่ใจเราตั้งเอาไว้ตื่นช่วงขณะนั้นตื่นมาก็โปร่งใสงั้นอารมณ์จิตที่มีโภนาหรือมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันสบาย แต่ถ้าเรานอนแบบนิวรเนี่ยยึ่งนอนยึ่งขี้เกียจเราจึงเกลียดดูดินอนแล้วก็บิดไปบิดมาบิดไปบิดบานนี่มันอารมณ์ตัวถินิมิธะความง่วงเหงาเหานอนแล้วก็เกียดคานเป็นอารมณ์เวลาตายเนี่ยกิเลสตัวนี้ก็ไม่ตายเวลามาเกิดใหม่ก็ง่วงต่อ ง่วงต่อขี้เกียจต่ออันนี้เราต้องขูดกล่าวตอนเนี้ยตอนเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราขูดกล่าวให้เบาบางไปอนุสัยตนนัวนี้ที่มันนอนเนื่องไว้ในจิตใจฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธที่ญาติโยมศรีตระเวลามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายโรก มาเทศนามาชีา้แนะเราจะได้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญามีศรัทธาราสาธะความเชื่อความเลื่อมใสต่อกุณบรตนาไตรฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารพหลักธรรมะคำสอนขบเจ้าในหัวข้อธรรมว่าเป็นทา่านเป็นทายาต หรือเป็นธาสปพระพุทธพระธรรมพระสงค์เนี่ยแล้วด้วยใจแล้วใจเราเอาขอบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมรจรเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นแตรณะที่พึ่งตลอดชีวิตเนี่ยสูงส่งแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิงใดแ้วพุทธเจ้าค้นพบแล้วท่านจึงวางคำสอนกว่าท่านจะคนพบมาต้องสี่อาสงไขย และมาวางคำสอนเนี่ยและญาติโยมก็มีที่แม่สายนี่ก็เชียงรายก็มีหลวงพ่อวิจัยเนี่ยได้มาชี้แจงให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลและบาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเราก็น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติตามฐา น, นะของเราฉะนั้นบุญกุศล เจตนาที่เป็นกุศลที่ญาติโยมมาสมาทานจะเป็นเบญจศีลอัตถศีลที่เรามีศรัทธาประสาทะแล้วมีศรัทธานอบน้อมคุณพรัตตนาใจสวนสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะบุญกุศลอันนี้ปรารถนาสิ่งใดที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ พอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จเอวังก็มีด้วยประการะชนี